ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้กันไกตัดผมรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลที่ศีรษะไม่อาจจะใช้มีดโกนปลงผมได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้กันไกตัดผมได้เพราะอาพาธเป็นปัจจัย